หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปอปยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมเทศนา หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอน3ชีวิตเป็นไปอย่างไรบทที่5กรรมในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทความนำ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 จึงเป็นเพียงส่วนย่อยของหลักใหญ่บางข้อเป็นหลักใหญ่ด้วยกันครอบกลุมความหมายของกันและกันแต่มีแนวหรือรูปแบบการแสดงและความมุ่งหมายเฉพาะในการแสดงต่างกันปฏิจจสมุบบาทเป็นหลักธรรมใหญ่ที่แสดงความเป็นไปของชีวิตไว้ทั้งหมดมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมหลักธรรมปลีกย่อยในระดับต่างๆอย่างทั่วถึงเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการแห่งชีวิต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 ดังนั้นหนังสือหรือคำพีที่อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทอย่างเฉพาะโดยตรงจึงมีน้อยอย่างยิ่งจนหาแทบไม่ได้เลยแต่กระนั้นก็ตามก็ได้มีหนังสือและคำพีจำนวนมากอธิบายหลักธรรมบางหมวดบางเรื่องที่เป็นส่วนย่อยของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นหลักธรรมส่วนย่อยของปฏิจจสมุปบาทที่นิยมอธิบายกันมากที่สุดคงจะได้แก่หลักกรรม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 กรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อแยกส่วนในกระบวนการนั้นออกเป็นสามวัตตะคือกิเลสกรรมและวิบากหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทากรรมและการให้ผลของกรรมทั้งหมดตั้งต้นแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทากรรมจนถึงวิบากอันเป็นผลที่จะได้รับเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็เป็นอันเข้าใจหลักกรรมชัดเจนไปด้วย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 เมื่อมองในแง่ความเป็นไปในชีวิตจริงจะเห็นว่าส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏเด่นชัดออกมาในการดาเนินชีวิตประจาวันเป็นเรื่องของการแสดงออกและเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคนโดยตรงก็คือส่วนที่เรียกว่ากรรมถ้าเพ่งในทางปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจยกเอากมขึ้นเป็นจุดเน้นและเป็นบทตั้งแล้วเอาส่วนอื่นๆของปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวประกอบ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 จึงจะได้เสนอคำอธิบายหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมไว้ณนะที่นี้ด้วยพอเป็นแนวสำหรับทำความเข้าใจ